เการศึกษาธรรมะจากสีทัต tha ได้เกิดกันแล้วในวันที่19กที่ผ่านมายังมีไออุุนอยู่พวกเราก็มาฉลองกันนะให้มาพิสูจน์มาศึกษาศ า, ศาสตร์นี้อย่าได้ปล่อยละเลยเลยขอให้เป็นวันที่เราฉลองกั น, นใหญ่ยิ่งใหญ่แสดงออ ก, กโดยเพาะกลุ่มพ่อสงฆ์ที่ได้รวมกันมาทุกปีนานมาแล้วเราก็เรียกพวกเราว่าสาขา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 อยากเป็นหมอก็ต้องเรียนเหมือนหมอเหมือนครูบาอาจารย์มาบอกมาสอนเราเราอยากเป็นอะไรก็เรียนตามผู้ที่บอกที่สอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาตราเป็นบรมโครูเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยาณสามารถสอนคนทั้งเทวดามารผมมีผู้รู้ตามได้ไม่ใช่ว่าด้อยมาก่ายเหลืกินจนมาถึงผู้เรามาพิสูจน์กันดูวิธีพิสูจน์านี้คือกรรมฐาน ที่ตั้งของการกระทาที่ตั้งแห่งการกทำตั้งไว้ที่ไหนเอากายเป็นธรรล่ะเอาใจเป็นธรรล่มีสติตั้งไว้ที่กายวิธีตั้งไวทไ้ทาไหนกายานุปจนนาสติมีสติเห็นกายอยู่เหนืองเนืองมันก็มีอยู่กายเนี่ยไม่ได้มโนภาพอะไรกายเราก็มีอะไรที่มันจะรู้อะไรที่ม่จใช่เกิดตัวรู้ได้ใช่มันเราจะมีรูปแบบการสร้างจะวะ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 อ๋อมันจากว่ากายมันจากว่าเวทนาะมันเจ็บ ม, มันปวดหรือมันร้อนมันหนาวหรืออ้าวจักว่าเวทนาะความสุขความทุกข์ก็สักว่าเวทนาะมันเป็นาการของงัดไม่ใช่เราเราเนี่ไปตู่เอาเวทนาะคือเราไปพ้นไปจี้ไปซื้อทอี่ยังมาไม่ใช่เสียเปรียบมาดา น, านแล้วเห็นเวทนะาสักว่าเวทนาะมีไหมในตัวเราเนี่ยเวทนาเป็นภาษาบาลีภาษาอินเดีย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 เพราะมีตัวรูมันจึงไม่หลงเพราะมีหลงมันจึงไม่รู้ทำไมจึงมีตัวรูได้ก็ประกอบความรู้ขึ้นมาในวลยมันหลงถ้ามันไม่หลงก็รู้ไปจะไปทำอะไรละ่ะนั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ยืนอยู่ทุกอริบทเลยเหมาะแจกการประกอบความรู้ขึ้นมากายของเราใจของเราเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สร้างตัวรูสร้างตัวหลงมันยากต้อง ลำดับลำนำช่นเขาว่าให้เราเราโกรธพอใจที่จกโกรธทำไมจึงทำอย่างนั้นทำไมจึงทำอย่างนี้มันมีเหตุมีผลจนการเกิดการเ่นค่าทะเลาะว่ า, า, วากันอันรู้ตัวนี้ไม่ใช่ไปถึงโ น, น้นรู้แล้วแค่นั้นเองเหมือนลัดที่บึงอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็หลุดไปรู้แล้วรู้แล้วเหมือนอัญญากลทยจวังเทศกันแรกของพระเจ้า ก็รู้แล้วรู้แล้วพระโุธิง์แสดงไปอะอย่างเราสวดอาตะละคณสูตรถวนสัวนสมวัตรจังลูกไม่เที่ยงโูบังอานิจังอนุาสาชนีพหูลาภวตติเป็นไวเพื่อสวกส่วนทั้งหลายส่วนมากรูบังอานิจังลูกไม่เที่ยงเวทนาอานิจจาเวทนาไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าเป็นคนแสดงผู้แสดงแต่โกณัญญาฝังเอาสิ่งที่แสดงเป็นกาษามาทำ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 ยังได้เป็นสาวกตัดทลุตามพระพุทธเจ้ามาลู้เรื่องนี้กันเรานี่ก็เป็นมนุษย์สมบัติมาแล้วพ้อมแล้วมาลู้เรื่องนี้เข้าอย่าไปเปิดไปเพื่อกับอย่างอื่นอย่ามีร่องรอยกับเ อ, อื่นแม้มีร่องรอยก็กลัมมาได้มาทำกรรมมาล่างบาปมาล่างอากุศลถ้ารู้มันก็ล่างแล้วทำบุญแล้วถ้ารู้มันก็ลกความชั่วแล้วถ้ารู้มันก็ทำความดีแล้ว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 จะมาถวายร้องตายไม่เอาจากใต้คนนะ่ช่วงสี่สิบวันนี้แน่เราพอใจที่เห็นพวกเรามานั่งอยู่ที่นี่ทั้งว่าสมองเจ้าชื่อใหญ่เป็นขั้งเดียวเท่านี้สุกโตนะตั้งมาแล้วสามสิบสี่สิบปีเพิ่งมีข้างนี้ต้อง น, นึกว่าจะไม่มีใครมาวางผ่อนกับพระที่นี้ถ้าสุกโตไม่มีคนมาทำาไงพวกเรา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 จะไปอยู่ไปดูคนปว่วยไปยืนแสดงธรรมคนปว่วยนอนอยู่นเตียงเขาค ง, งหนีจากเราไม่ได้เพราะเขาปว่วยคนดีเขาไม่มาหาเราเขาเข้าโรงหนังโรงครนก็เบรกซีโรตัสไปโ น, น่นแต่คนปว่วยมันนอนอยู่ไปยืนพูดคำสองคาเพราะอะไรเราจึงกล้าไปเป็นเพื่อนคนปว่วยเพราะเราเคยปว่วยเคยตายมาเราลู้กันระหว่างคนปว่วยเหมือนกันไปพูดกันคงรู้จัก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 เราชิดแต่ช่วยแต่คนอื่นแต่เราไม่มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีมีคนซื้อรถให้บนทวีตอนนอนป่วยโรงพยาบาลเอารถมาให้คันหนึ่งเอาไว้ล่องตาไม่เอาดอกล่องตาคงไม่รอดแล้วคงตายอยู่แล้วเอารับไวเ้เถอะทั้งสามีปัญญาตั้งใจมาแล้วหมดครอบครัวแล้วมาม้อไปล่งตาสองคันคันหนึ่งเป็นรถเข็น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 ว่าควาจะตายเป็นทุกข์อ่ะไม่ทุกข์ตรงไหนเลยมันสนุกไปเลยนอนโรงพยาบาลเกือบปีนี่คนไปเยี่ยมอ่ะมีพูดอยู่เว่าสนุกป่วยสนุกป่วยสนุกจย่งเยงการป่วยกันเจ็บไหนะโรคมะเรงก็เนื้อตะปอนโตปวดเอ้ามะเรงเอ้ยเป็นเพื่อนกันกันกบตับปอนท่านละ่ะเราไม่หลังเกียดอยู่ด้วยกันไปแต่เราไม่เป็นกับท่านนะเราจะอยู่ของเราเองมันปวดท้อง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 มาเห็นมันมาเห็นมันทุกคนทําได้พุทธเจ้าสอนในสิ่งที่ทุกคนทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการตอนเช้าตอนเย็นตอนสายตอนไหวรู้ได้ทันทีไม่มีเวลาอากาลิกิตทำเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไปเชื่อใครเลยอาจายังไงพวกเราแต่ว่าอย่ามาเชื่อเราให้ทําเอาจึงมีจิตกรรมอย่างนี้ขึ้นมาไม่มีวิธีใดแล้ว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 ไปทั้งคืนป่าบางทีพูดกันได้เสือเจอเจอเสือทังไงอ้าวมันนั่งเฝ้ากันทำไมดีขอบคุณนะก็อนอนอยู่กันทังอยู่เสืออย่าว่ามันทำอะไรทำใจทำใจอยู่ป่าอย่าลูกดีลโกหลนสงบเยียมสักน้อยมไม่แมตตากุนาไว้ในใจเสมออย่าเอาชอบอะไ้อยชอบเห็นว่าแฟแมงก็ชิดโกรธขึ้นมา รู้จึกตัวรู้จึกตัวทุกวิถีทางอะไรที่มันจะรู้ใช่เท่านั้นแหละความหลงมากจะจักมากมายเลยเกินให้มันพ้นจากป่าอาวิชชาความหลงในให้ได้มีความรู้ไม่ต้องออกเดี่ยอวอแดงเสื้อเหงือเสื้อไขเลยตัวรู้มันจะเป็นยิ้มยิ้มนะไม่ใช่เป็นอะไรยิ้มยิ้ ม, มตัวรู้นี่ใกล้ห่าง